ช่วงนี้กลางวันบ่า ย, ายอากาศจะร้อนมากนะไม่ต้องบอกก็รู้นะถ้าเป็นที่บ้านของเราหรือว่าที่ทำงานก็คงจะหลบร้อนได้นะไปที่ร่มหรือยิ่งกันั่นคือว่าเปิดแอร์แต่ว่าที่นี่เราไม่มีห้องแอร์จะให้หลบมันเป็นโอกาสดีนะ ที่จะทำให้เราเรียนรู้วิธีการทาใจปกติเวลามีความทุกข์หรือว่ามีปัญหาวิธีการที่เรานิยมใช้ก็คือว่าไปจัดการกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาหรือถ้าจัดการไม่ได้เราก็หลบซะทำอะไรกับความร้อนไม่ได้นะเราก็หลบไปหาที่เย็นแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันไม่มีโอกาสจะให้หลบนะไ้ ได้ง่ายนะเพราะว่าเราต้องปฏิบัติร่วมกันวิธีเดียวที่เราจะทำได้คือการทำใจทำใจนี่ก็ทำได้หลายวิธีนะเช่นอดทนอาจจะ ก, ก้มกืนฝืนทนในใจก็เป็นทุกข์นะแต่ว่าก็ยอมทนแต่มันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะก็คือว่า การทำใจยอมรับมันที่จริงถ้าเรายอมรับมันนะความทุกข์นี่มันจะลดลงไปไปเยอะหลายคนไม่ได้ตระหนักนะเวลาเจอากาศร้อนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุกข์กายอย่างเดียวส่วนใหญ่ก็ทุกข์ใจด้วยแต่คนก็มองไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยสังเกตเวลาอากาศร้อนๆ น, นะ ถามว่ามีความทุกข์ไหมทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์มาเพราะมันร้อนถามว่าร้อนที่ไหนก็ตัวเนี้ยก็บอกร้อนที่กายหรือร้อนเพราะอากาศแต่ที่จริงเนี้ยมันไม่ใช่ร้อนที่กายอย่างเดียวนะมันร้อนที่ใจด้วยใจมีอาการหงุดหงิดไม่พอใจมันมี ความพยายามจะดิ้นรนผลักไสให้ตัวเนี่ยอยู่ห่างจากหรือนีจากอากาศที่ร้อนแต่พอมันหนีไปไม่ได้เนี่ยก็จะมีความหงุดหงิดนะขัดเคืองแล้วตรงนี้แหละนะที่ทำให้คนเราทุกมันเป็นความทุกข์ใจนะที่ยิ่งกว่าความทุกข์กายในทรามนองเดียวกันเนี่ยเวลาเรานั่ง นานๆสร้างจังหวะก็ดีฟังธรรมก็ดีหรือว่าเดินจงกรมก็ดีเนี่ยทำไปนานๆล้วก็จะรู้สึกเมื่อยอาจจะรู้สึกปวดหลายคนก็รู้สึกเป็นทุกข์ล้วพอถามว่าทุกข์เพราะอะไรหลายคนก็จะตอบว่าทุกข์เพราะปวดแข้งปวดขานะหรือว่าเมื่อย แต่ไม่ค่อยเห็นนะนะว่ามันมีทุกข์อีกชนิดหนึ่งที่มันซ้อนขึ้นมาหรือทับกดทับลงไปก็คือความทุกข์ใจทั้งๆที่ไอ้ทุกตัวเนี่ยมันใหญ่กว่าความปวดขานะหรือว่าเมื่อยขาซะอีกทำไมมองไม่เห็นนะก็เพราะว่าไม่ค่อยได้มาสังเกตจิตใจของตัว เขาลองมาสังเกตใจงตัวก็จะเห็นเลยใจมันบนโวยวายตีโพยตีพายมันโอดครวนมันมีการดิ้นลนผักใสอยากจะหนีให้พ้นจากอิริยาบถ ท, ที่ทำให้ปวดให้เมื่อยที่ถ้านั่งก็อยากจะเดินถ้าเดินก็อยากจะนั่งแต่พอมัน เปี่ยนเรียบบทไม่ได้ก็เกิดความไม่พอใจแล้วโดยไม่รู้ตัวนะใจเนี่ยมันไปยึดเอาความปวดของกายเนี่ยความเมื่อยของขาเนี่ยมาเป็นความปวดของกูยิ่งทําให้ทุกข์ใหญ่เลยเป็นความทุกข์ใจแต่ถ้าเกิดว่าเรา ลองทำใจยอมรับมันดูปวดก็ปวดไปเมือม่อยก็เมื่อยไปไม่บ่นไม่โวยวายไม่ตีโพยีภายเราจะพบว่าความปวดหรือความทุก์เนี่ยมันทุเลาลงอันนี้ถ้าไม่เจอหรือไม่ลองทำนะก็ไม่เห็นนะลองทำดูลองสังเกตดูแล้วจะเห็น ว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าตอนอากาศร้อนหรือว่าปวดเวลาเมื่อยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุกข์กลางเดียวมันทุกข์ใจด้วยนี่พอเราใจทาใจยอมรับมันได้นะเออเห็นว่ามันเป็นธรรมดาอากาศร้อนก็เป็นธรรมดาหรือมองว่าก็ดีเหมือนกันนะมาฝึกเราให้เข้มแข็งอดทน หรือว่ามาฝึกสติให้กับเราพอใจมันยอมรับได้เนี่ยความทุกข์มันเบาลงไปเลยมีเพื่อนคนหนึ่งนะเขาไปปฏิบัติธรรมนะกับสำนักหนึ่งซึ่งต้องนั่งนั่งนานๆวันละหลายชั่วโมงแล้วก็หลายวันติดต่อกันอย่างเราเนี่ยยังดีนะยังได้เดินมั่ง แต่บางสำนักเขาให้นั่งแล้วคนที่ไม่เคยนั่งนานๆนี่ก็จะรู้สึกทุกข์มากมันไม่ใช่แค่ทุกขเวทนามันทุกขทรมานเลยหลังจากนั่งไปได้สามสี่วันพอนอติดต่อกันปวดแข้งปวดขามากปวดปวดจริงๆและยิ่งนั่งต่อไปเนี่ยอดทนยังไงเนี่ยมันก็รู้สึกทุกขทรมาน จนกระทั่งเหมือนกับว่าความสุ่มเือนว่ากระดูกนี่มันจะหลุดออกมาหรือมันจะแยกจากกันแต่ก็ต้องทําเพราะว่าเคยๆเขาก็ทํากันข้างนอกเนี่ยดูนิ่งแต่ข้างในนี่มันร้อนระอุมันวุ่นวายข้างนอกยังเงียบสงบไม่มีใครพูดคุยกันแต่ข้างในนี่มันระงมไปด้วยเสียงบ่นโวยวายตีโพตีพาย ไอเสียงดังข้างนอกนี่มันมันยังไม่ร้ายเท่ากับเสียงดังในหัวนะหรือว่าอารมณ์ที่พุ่งพลานในใจยิ่งนั่งก็ยิ่งทรมารจนทั้งจุดหนึ่งก็บอกว่านั่งต่อไปนายคนยนี่ตายแน่ต้องตายแน่แน่เลยแต่ก็ต้องนั่งพอถึงจุดหนึ่งนะัมันมีเสียงแบบดังขึ้นมาว่าตายก็ตายวะตายก็ตายวะ ทันทีที่มันมีเสียงนี่มันดังขึ้นมาในหัวนะบอกว่าไอ้ความทุกข์ในจิตใจนี่มันเบามันหายไปเลยหายไปเยอะเลยใจมันเบาลงความปวดขายังมีอยู่แต่สิ่งที่หายไปคือความทุกข์ใจทุกข์ใจมันหายไปเพราะอะไรเพราะยอมรับได้ ไอ้คำพูดที่ว่าตายก็ตายว่าเนี่ยมันแสดงว่ายอมพอยอมปุ๊บเนี่ยนะจิตมันหยุดดิ้นเลยความทุกข์ใจเกิดขึ้นเมื่อจิตมันดิ้นดิ้นก็มีดิ้นอยู่สองอย่างนะดิ้นเพราะอยากได้อยากเอากับดิ้นเพราะอยากผักใสลูกของเราหลานของเราเนี่ยบางทีมันก็ดิ้นเลยนะไม่ใช่ดิ้นในใจอย่างเดือนมันตัวดิ้นออกมา นอนดิ้นเพราะไม่ได้ไม่ได้ขนมไม่ได้โทรศัพท์มือถือไม่ได้เล่นเกมออนไลน์นี่เรียกว่าดิ้นเพราะอยากได้จะไม่ได้ดิ้นอีกอย่างคือดิ้นเพราะอยากผักใสเวลาปฏิบัติเนี่ยเราจะเจอตัวดิ้นแบบนี้เยอะเลยอยากผักใสผักใสความปวดความเมื่อยผักใสอากาศที่ร้อน บางทีก็อยากจะผลักสายเสียงที่มันดังเสียงบางทีก็ไม่ดังนะแต่ว่าพอเราไม่ชอบขึ้นมาแม้จะเป็นเสียงพูดคุยธรรมดาธรรมดาแต่พอเราผลักสายมันทุกทันทีที่จริงอ่เสียงไม่ใช่ปัญหานะปัญหาคือใจที่มันผลักสต่างหากคนเวลาทุกข์หงุดนิดเนี่ยเพราะว่ามีเสียงดังเนี่ย หรือเมื่อมีเสียงดังเนี่ยเวลาทุกข์หงุดหงิดเมื่อมีเสียงดังเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าหงุดหงิดเพราะเสียงดังนะไม่เหมือนกันนะหงุดหงิดเมื่อเสียงดังเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าหงุดหงิดเพราะเสียงดังแต่แท้จริงมันหงุดหงิดเพราะใจมันผักใสเสียงนั้นเสียงไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือใจที่ผลักใสบางทีเสียงมันดังนะแต่พอใจเรายอมรับหรือถ้าใจเราเนี่ยยอมรับ ไม่ถือสาเช่นเด็กร้องไห้เด็กร้องไห้เสียงดังมากนะแต่ว่าเราก็ไม่ถือสามันเป็นเป็นวิสัยของเด็กนะเด็กยังทาอะไรได้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรมารบกวลเพราะอะไรเพราะใจไม่ผักใสพวกเราบางในที่หลายคนจะเคยไปสังเวชศิรสถานนะ สถานที่หนึ่งที่สถานที่หนึ่งที่มีคนไปมากเนี่ยก็คือพุทธคยาไปกันเยอะนะวันนึ้งเป็นหมื่นหลายหมื่นตอนเช้าเนี่คนไม่ค่อยเยอะแต่ว่าพอสายสายบ่ายๆคนจะเยอะมากใครที่ต้องการแสวงหาความสงบสงัดเนี่ยถ้าไปพุทธคยานะสายๆเนี่ยบ่ายๆเนี่ยจะผิดหวัง เพราะว่าเสียงดังแต่ลักขณะที่ไปบูชาสักการะเจรีย์พุทธคยาเวลาเดินทักษินาวัดก็จะสวดนมนต์สวดปากปล่าไม่พอนะใช้ไมโครโฟนด้วยแล้วก็หลายคนก็มีความเชื่อว่าสวดเสียงดังมากเท่าไหร่ก็ได้บุญมากทานั้นเพราะนั้นก็เลยตะเ บ, บงก็บใใหญ่ใช้ไมโครโฟนช่วยด้วย แล้วไม่ใช่มีแค่คณะเดียวนะมีต้องหลายคณะแล้วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะมีพ่ะมามีรังการมีคำเหม็และทิเบย์นี่ก็ไม่เบาเนี่ยสวดมนต์ของทิเบต์นี่ดังมากรอบเดินรอบจ้าคนาวาดเสร็จก็มาสวดมนต์ทาวัดหน้าต้นพระศรีมหาโพก็ดังกระหึ่มแล้วคิดดูนะมีเป็นสิบคณะเนี่ย มาประชันกันก็เสียงก็ดังแค่ไหนคงพอยจนภาพออกแต่ที่มันน่าสังเกตคือว่ามีคนนะเป็นร้อยนะนั่งสมาธิยอยู่รอบเจดีย์ด้วยาการสงบเหมือนกับว่าไม่มีเสียงอะไรเนี่ยเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเลยทำไมถึงนั่งสงบได้ ทั้งที่เสียงดังก็พอใจมันไม่ผักใสใจอาจจะยอมรับใจยอมรับหรืออาจจะนอนุโมทนาด้วยซ้ำว่าโอเป็นเสียงแห่งศรัทธาสารเสริมพระรัตนตรยัยแต่ถ้าเกิดว่าไปนั่งอยู่กลางตลาดริมถนนเสียงดังพอๆกัน เดซิเบลพอๆกันหรืออาจจะน้อยกว่าได้วยซ้ำเชื่อว่าหลายคนก็คงจะนั่งไม่เป็นสุกนะเพราะอะไรเพราะใจมันผักใส่เสียงไม่ไว่าจะเป็นเสียงรถยนต์เสียงโทรศัพท์เสียงคนคุยกันเสียงหมาเหา่าเพราะใจผักใส่น่าอะไรนะหงุดหงิดนะขัดเคืองใจขึ้นมาทันทีต้องคนไม่ได้สนหลังนะว่าไอท้ที่ที่หงุดหงิดเป็นทุกเนี่ยไม่ใช่เพราะเสียง แต่เป็นเพราะใจมันผักใสชื่อวัดหนองประพง์เนี่ยของหลวงพ่อชาสมัยที่คนยังไม่เคยรู้จักเนี่ยจะเงียบสงบมากตอนที่คนรู้จักแล้วก็ยังก็เงียบสงบนะแต่ว่าตอนที่คนไม่เคยรู้จักยิ่งเงียบสงบสง บ, สงบขด้นไปใหญ่แต่บางครั้งบางวันเนี่ยความสงบสงัดก็ถูกทำลายเพราะว่ามีเสียงดังจากหมู่บ้านที่อยู่ติด ก, กับวัด หาประมาณสักโลสองโลเนี่ยชาวบ้านก็มีการฉลองกันมีงานบุญงานประเพณีหรือว่างานาบรรจุกระดูกใส่ธาตเนี่ยงานประเพณีเนี่ยนะชาวบ้านจะมีมหราศพจัดมหราศพกันทั้งวันทั้งคืนสามวันสามคืนวันแรกเนี่ยคืนแรกนี่เสียงดังตลอดทั้งคืนเลย จนถึงรุ่งเชา้าพระในวัดเนี่ยซึ่งคุ้นเคยความสงบสงัดเนี่ยเจอเสียงแบบนี้เข้าไปนอนไม่หลับก็เลยนัดกันว่าเนี่ยตกโรคกันว่าหาตัวแทนเนี่ยไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านขอให้ให้ลดเวลาหน่อยแทนที่จะฉลองกันทั้งคืนจนโต้รุ่งก็ขอถึงตีหนึ่งได้ไหม เือว่าพระจะได้มีโอกาสนอนสักสองชั่วโมงนะเพราะตีสามต้องตื่นมาทําวัดไปเจราจาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมนะพอผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมพระทําไงหมู่กลุ่มพระก็เลยไปไปหาหลวงพ่อชาเพราะเชื่อว่าหลวงพ่อชาเนี่ยนะนนท่านจะเห็นด้วยว่าวัดเนี่ยควรจะเป็นที่สงบสงัดนะไม่ใช่มีเสียงอยื่นึกงโครม และหลวงพ่อคงจะไม่เห็นด้วยกับประเพณีจําหอละศพกันนะทั้งวันทั้งคืนแบบนั้นก็ไปขอหลวงพ่อชาเพื่อให้หลวงพ่อชาไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านเพราะเชื่อผู้ใหญ่บ้านคุณเก่งใจบอกว่าผิดคาดนะหลวงพ่อชาไม่ยอมหลวงพ่อชาท่านบอกว่าท่านเหตุผลว่าพวกท่านเนี่ยไปคิดว่าเสียงรบกวนพวกท่านแต่ที่จริงพวกท่านน่ะไปรบกวนเสียง ตกงกลายเป็นความผิด ข, ของพระไปนะน่าคิดนะหลวงพ่อช้าต้องการบอกอะไรตกลงกล่าวบอกว่าที่พวกท่านเป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าใจมันไปต่อร้อต่อเถียงกับเสียงนั้นเอเสียงมันก็มีของมันอย่างนั้นถ้าใจเราเนี่ยเฉยกับมันซะยอมรับมันซะมันก็ไม่เกิดอะไรแต่พอใจจะไปผักสายกับเสียง ผักสายต่อเลาต่อเฉงกับเสียงนั้นและที่ผักสายเนี่ยก็คงเพราะว่าข้างในส่วนลึกเนี่ยนะปราถนาความสงบปราถนาความสงบพอมันไม่มีความสงบอย่างที่ต้องการก็เลยหงุดหงิดขัดเคืองนะหลวง่อชาท่านต้องการนะสอนให้พระนี่ได้รู้ว่าได้เรียนรู้การฝึกใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ใจก็ไม่เป็นทุกข์และที่เป็นทุกข์ก็เพราะว่าการไปผักใส่นะต่อสู้กับเสียงนั้นะพวกเราซึ่งเนักปฏิบัติเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่มีเสียงรบกวนนะหรือถึงแม้อากาศจะสบายไม่ปวดไม่เมื่อยแต่หลายคนก็ปฏิบัติอย่างไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะความฟุ้งซ่านในใจ ไม่มีเสียงมารบกวนะแต่เสียงในหัวนี่แหละมามารบกวนที่จริงเสียงในหัวหรือความฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเหมือนกันนะปัญหาของนักปฏิบัติส่วนใหญ่คือว่าไม่ยอมรับความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นหลายคนเนี่ยก็มาบอกอาตอมาว่าว่าทำสมาธิเนี่ยทาไม่ได้เลย แม้แต่ห้านาทีพ่ออลไรเพราะว่ามันฟุ้งซ่านตลอดเวลาเป็นปัญหาของคนที่อยากจะปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยนะอัตมาก็พูดกับคนที่มีปัญหาหลองนี้ว่าจริงๆแล้วความฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหาที่จริงเป็นธรรมดาแต่ปัญหาเกิดเพราะโยมน่แหละที่ไม่ชอบความฟุ้งซ่านไปมองว่ามันคือปัญหา ทั้งที่มันคือธรรมดาลองปรับใจสมัยยอมรับว่ามันเป็นธรรมดามันจะเกิดก็เกิดไปเราก็เพียงแต่แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแต่ไม่ดิน้นรนไม่ผักใสไม่ไปกดข่มมันถามว่าทำไมไปกดข่มไปผักใสก็เพราะมีความอยากอยากให้ใจไม่คิดอะไร และคิดว่าถ้าใจาไม่คิดอะไรคือความสงบแต่นี่คือความอยากที่มันสวนทา ง, งความเป็นจริงมันผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะผิดตั้งแต่ยังไม่ทันปฏิบัติเลยเพราะไปคิดว่าหรือไปคาดหวังว่าจิตมันจะไม่มีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแล้วยิงไปพยายามไปบังคับจิตให้มันหยุดคิดไปกดข่มมัน มันก็ยิ่งต่อต้านจิตนี่มันเหมือนกับวัยรุ่นนะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุหรือว่ายิ่งกดก็ยิ่งมีแรงต้านกฎธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนะยิ่งกดก็ยิ่งมีแรงต้านอันนี้เป็นกฎทางวิทยาศาสตร์แต่มันก็ใช้ได้นะกับจิตใจของคนเรายิ่งไปกดข่มความคิดหรืออารมณ์ก็ยิ่งมีแรงต้าน ลองปรับใจสมัยนะมองว่ามันเป็นธรรมดาไม่ต้องไปกดข่มอะไรมันแค่ยอมรับว่ามันเป็นธรรมดาแล้วขณะเดียวกันก็นกมันสังเกตใจเราด้วยนะเวลามันเผลอเผลอไปต่อสู้กดขม่มให้ทำอย่างที่หลวงพ่อเขียนท่านบอกหรือที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนอยู่เสมอว่าให้รู้ซื่ อ, อรู้เฉยๆคือร่วมมันฟุ้งซ่านก็รู้มัน แต่ไม่ไปทำอะไรกับมันไม่คล้อยตามมันหรือไม่ให้มันชักจูงลากลู่ถูกลังไปแต่ขคะกันก็ไม่ผักใสมันพูงคือไม่ตามแล้วก็ไม่ตาม้านนะก่อนมาปฏิบัติเนี่ยมีความคิดอะไรเกิดขึ้นก็ตามมันตะพึตตะพือพอมาปฏิบัติก็สวิงไปอีกทางคือตา้านและนั่นหละคือเป็นเหตุทาให้ทุกข์ ความฟุ้งซ่านไม่ได้ทำให้เราทุกข์ความฟุ้งซ่านไม่ได้ทำให้จิตไม่สงบแต่เป็นเพราะไปผักสมันไปกดข่มมันมีความดิดความอยากเป็นเจ้าเรือนการที่เราจะรู้เฉยๆได้เนี่ยนะหรือว่าวางใจเป็นกลางกับมันได้เนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากการวางความอยากลงนะวางความอยากลงอยากสงบนะ หรือว่าอยากให้มันไม่ฟุ้งซ่านอยากจะให้มันไม่คิดเลยหันมาสังเกตความอยากที่มันซ่อนอยู่ลึกๆหรือถ้ายังสังเกตไม่ไม่ยังมองไม่เห็นสังเกตไม่ทันก็ให้มันสังเกตเวลาใจมันมันผักใสมันพยายามต่อสู้กลับไปความฟุ้งซ่านน่ะหรืออาการที่จิดมันดิ้นเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมา มาสังเกตรตรงนี้ก็ได้ไอความอยากนะพอมันถูกรู้ถูกเห็นนะมันก็สงบนะจิตที่มันดิ้นเนี่ยมันดิ้นเพราะความหลงแต่พอมีตัวรู้หรือว่ามันมีความรู้ตัวเกิดขึ้นพอมีสติไปเห็นอาการดิ้นของจิตเพราะความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเนี่ยมันสงบนะ นี่เรียกว่าเห็นนะเห็นมันพอเห็นมันนี่มันสงบลงไปหรือถึงแม้มันไม่สงบนะเราก็ไม่ลดละในการที่จะเห็นแต่ก็ระวังอย่าไปจ้องมันนะจ้องมันเมืเ่อไหร่เดี๋ยวมันก็ดูดไปเลยมันเป็นศิลปนะในการเห็นเนี่ยแต่มันทั้งหมดนี้ก็เริ่มต้นจากการที่เราหมันสังเกตดูดใจของเรา แล้วก็ปรับใจให้ถูกต้องว่าการภาวนาโดยเพาะการเจริญสติเนี่ยไม่ได้จิตไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมความคิดแต่เป็นการฝึกไม่ให้เราเนี่ยเป็นการฝึกไม่ให้ความคิดเนี่ย<ะ>มันมาควบคุมเราต่างกันนะภาวนานี่ไม่ใช่เพื่อควบคุมความคิดแต่เพื่อไม่ให้ความคิดเนี่ยมันมาควบคุมเรา เราไม่สามารถควบคุมความคิดได้เพราะจิตเนี่ยมันเป็นอนัตตาเราไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเราสั่งให้มันหยุดคิดไม่คิดภายในเวลาหนึ่งนาทีเราเองสั่งไม่ไดเ้เราไม่รู้โดยซ้าว่าอีกหนึ่งนาทีข้างหน้ามันจะคิดอะไรไม่น่าเชื่อนะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอีกหนึ่งนาทีมันจะคิดอะไรทั้งๆที่เราสั่งให้มันไม่คิดแต่มันเชื่อเรามัม้ยไม่เชื่อ นั่นการพยายามควบคุมความคิดเนี่ยนะมันผิดตั้งแต่แรกแล้วมาเมืเม่อกับการกรดกระดุมนะพอกระดกกระดุมผิดเม็ดแรกนี่นะไอ้เม็ดที่สองเม็ดสามก็ผิดไปด้วยนักปฏิบัติหลายคนมันผิดตั้งแต่เริ่มคิดแล้วหรือว่าผิดตั้งแต่ก่อนปฏิบัติแล้วเพราะวางใจไม่ถูกไปคิดควบคุมความไปตั้งไปอยากควบคุมความคิด ภาวนาหรือการเจริญสติไม่ใช่ทำอย่างนั้นแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้หรือไม่ยอมให้ความคิดมาควบคุมเรามายค่ามันจะเกิดเกิดไปแต่มันทำอะไรจิตใจไม่ได้เพราะว่าเราเพียงแต่ดูมันเห็นมันความคิดเนี่ยถ้า ถ้าเราไม่รู้ทันไม่เห็นมันนะเข้าไปเป็นมันนะมันก็จะเป็นนายเหนือเราแต่ถ้าเราเห็นมันนะมันจะควบคุมจิตใจเราไม่ได้อันนี้รวมถึงอารมณ์ด้วยเราไม่ได้ภาวานาเพื่อไปควบคุมอารมณ์แต่เพื่อไม่ให้อารมณ์มาควบคุมเราหรือมามีอิทธิพลบงการเราความโกรธก็ดีความเศร้าก็ดี ความกลัวก็ดีมันเกิดขึ้นถ้าเราเห็นมันนะมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่พอไม่เห็นมันเนี่ยโดนเข้าไปเป็นผู้โกรธผู้กลัวหรือไม่ชนะก็ผักสายมันอันนี้ปัญหาเกิดขึ้นทันทีเลยมันจะมีอำนาจเหนือเราทันทีถ้าเราทำอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นการตามหรือต้านมัน อารมณ์พวกนี้เนี่ยมันมีอิทธิพลมันมีกำลังมีอำนาจมากมันสามารถที่จะบังคับบงการให้เราทำร้ายคนที่เรารักหรือว่าสร้างความหายยนะ์ฉิบหายให้กับตัวเราเองก็ได้มันมีอุบายร้อยแปดที่จะคลองจิตคลองใจและที่จะอยู่ในจิตใจเรา ไปได้อย่างยั่งยืนยาวนานแต่ว่ามันมีจุดอ่อนนะจุดอ่อนที่สำคัญคือมันกลัวการถูกรู้ถูกเห็นถ้ามีสตินะรู้ทันเห็นมันเมื่อไรมันก็อ่อนยวดยวยากไปเลยฟอไปเลยอันนี้คือวิธีการที่ทำให้มันไม่มาบังคับควบคุมเราเราไม่ได้ไปควบคุมมัน เพียงแต่ว่าการที่เรามีสติรู้ทันหรือเห็นมันเนี่ยทำให้ใจเนี่ยไม่เข้าไปอยู่ในอำนาจการบงการของมันนันการปฏิบัติที่นี่เนี่ยนะเรากนะ็ฝึกให้มาเห็นใจคิดนึกแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยก็ให้มารู้กายก่อนรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะใหม่ๆก็อย่าเพิ่งไป เห็นใจคิดนึกหรือไปหวังว่าจะได้เห็นมันชัดเจนรู้กายก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปสนใจความคิดให้รู้กายเวลายกมือก็รู้เวลาเดินก็รู้รู้ว่ามือยกหรือว่ากายเดิมไม่ใช่รู้เฉพาะจุดไม่ใช่ไปเพ่งที่มือไม่ใช่ไปเพ่งที่เท้าแต่รู้ตัวทั่วพร้อมความวารู้ตัวทั่วพร้อมแปลว่ารู้ไปทั้งตัว รู้รวมๆไม่ใช่รู้เฉพาะจุดเพราะฉนั้นจึงไม่ใช่การเพ่งเพ่งเนี่ยคือทำให้รู้เฉพาะจุด้พอเรารู้กายเคลื่อนไหวต่อไปสติมันก็จะวายเห็นใจคิดนึกการเห็นที่สำคัญนะเป็นเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดนะภาษาฝรั่งเรียกคีย์เวิร์ดเป็นเป็นคำที่สำคัญในพุทธศานสนาไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อนะและก็ไม่ใช่ความเห็น ความเห็นนี่มันเป็นเรื่องของความคิดแต่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความคิดนะเห็นในพระศาสนาเนี่ยมีสองอย่างนะเห็นด้วยสติกับเห็นด้วยปัญญาเมื่อกี้เราสวนนะเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์หรือเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยเมื่อนั้น จากเนยนายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตกลงน่าหลับเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมบทจดอันนี้คือเห็นด้วยปัญญาก็คือเห็นความจริงแต่ว่าก่อนที่จะเห็นความจริงก็ให้รู้จักเห็นด้วยสติก่อนเห็นว่าคือเห็นว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นเห็นอาการของจิตที่มันผักใสดิ้นรนจิตที่ไม่ชอบจิตที่คุณมัวหรือว่าฟุ้งปรุงแต่ง อันนี้เห็นด้วยสติเป็นงานเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเห็นของจริงด้วยนะไม่ใช่เห็นสีเห็นแสงซึ่งเป็นของปรุงแต่งเห็นของจริงคือเห็นอาการของกายและใจต่อไปมันจะเห็นความจริงเห็นสัจธรรมเห็นความไม่เที่ยงเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือว่าธรรมทั้งปวงเนี่ยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน นั้นการเห็นด้วยสติเนี่ยสำคัญมากถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันจะไม่มันก็ไม่ตามนะแล้วก็ไม่ตามมันทำให้เราเนี่ยสามารถจะวางใจเป็นกลางกับเสียงต่างๆแล้วพอจิตไม่ดิ้นนะไม่ผักสเนี่ยมันก็สงบนี่เราสงบเพราะรู้นะไม่ใช่สงบเพราะไม่รู้ไม่ใช่สงบเพราะตัดปิดหูปิดตาปิดโทรศัพท์หรือว่า ควบคุมบังคับเสียงไม่ให้มากระทบส่ประสาทอันนั้นคลคละก็ทําได้แต่ที่ทำได้ยากคือว่าแม้มีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้กระทั่งทางใจแต่ว่าความสงบว่าเกิดขึ้นได้เพราะรู้หรือเพราะเห็นรู้หรือเห็นใจคิดนึกแล้ลองนะลองฝึกใจนะทำใจยอมรับความพุ่งสร้างที่มันเกิดขึ้นหรือว่าอะไรอะไรต่างๆที่มากระทบ ยอมนะยอมรับในการยอมรับเนี่ยนะมันช่วยทำให้ใจสงบแต่ว่ายอมรับนี่ก็เป็นขั้นตอนการฝึกนะบางอย่างเรายอมรับอย่างเดียวไม่พอเราก็ต้องต้องทำด้วยเช่นเจ็บป่วยเราก็ยอมรับว่าป่วยไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายแต่ก็รักษาด้วยนะดเสียลด รถพังก็ยอมรับไม่บน่นไม่โวยวายแต่ถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมนะคือยอมรับแต่ไม่ใช่ยอมจำนนอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่ค่อยว่ากันต่อไปคำนี้พูดกันเท่านี้กราบพระ